มีนักคิดอยู่คนหนึ่งชื่อคุณจิ o อโดโนบรูโนก็เป็นคนอิตาเลียนเนี่ยนะครับ mm. ก็มีความคิดว่าดาวบนท้องฟ้าเนี่ยที่เป็นจุดๆเล็กๆ เ, เนี่ยนะครับเขามีความคิดล้ำมากว่ามันอาจจะเป็นแบบดวงอาทิตย์ที่อยู่ไกลมากและเขาก็ตั้งคำถามว่าอาจจะเป็นไปได้ที่มันจะมีดาวเคราะห์แบบโลกของเราอะ่ะหมุนอยู่รอบๆแล้วก็อาจจะมีมนุษย์อยู่รอบๆเป็นไปได้ไหมที่มันจะมีมนุษย์อยู่โลกอื่นอย่างเงี้ยโอ้โหอันนี้ก็ทาให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 แบบนี้กันไหมคะแบบว่าต้องดึงสติตัวเองก่อนว่าเราเนี่ยไม่ใช่ศูนย์กลางของทุกอย่างนะคะโลกของเราเองก็เคยมีโมเมนต์แบบนี้ด้วยเหมือนกันเราจะย้อนกลับไปคุยกันในสมัยก่อนเลยว่าเฮ้ยโลกของเราอ่ะเคยมีความเชื่อว่าโลกเป็นศูนย์กลางของเอกภพด้วยมนุษย์เราเนี่ยหลงเร ล, ลงไปถึงเบอร์นั้นกันเลยนะคะวันนี้ใดๆในโลกโล้นฟิสิกส์นะคะเช่นเคยอยู่กับฟางรัตเโรจิพนาค่ะและผมอารว่าโรงจันทมาศครับค่ะพี่หบังแปงฟังอยากชวนคุยว่าถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยสมัยก่อน เราเคยอยู่ยุคที่แบบเฮ้ยคิดว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางของทุกอย่างจริงๆเหรอคือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าการคุยในวันนี้เนี่ยเราจะคุยในเชิงวิทยาศาสตร์เนาะแต่ว่าผมว่ามันมันต้องมีบางอย่างที่ข้องแวะกับเรื่องของปรัชญากับแนวคิดของมนุษย์ด้วยเพราะว่าออย่างเวลาเราทะเลาะกันนะครับมนุษย์เราเวลาทะเลาะกันนะ่พ่อทะเลาะกับลูกแฟนทะเลาะกันใครก็ตามที่ทะเลาะกันเนี่ยเราก็มีแนวโน้มที่จะยึดตัวเองเป็น เป็นฝ่ายถูกหรือยุตัวเองเป็นศูนย์กลางของเซนเตอร์ของความถูกต้องะนะเออผมมองว่ามันไม่ค่อยน่าแปลกใจนะที่ลึกๆแล้วมนุษย์เราในยุคโบราณเนี่ยเคยเชื่อว่าโลกของเราเป็นศูนย์กลางของทุกสรรพสิ่งสรรพสิ่งที่ว่าคือไ ม, คอไม่คือไม่ใช่แค่ระบบสุริยะนะฮะแต่หมายถึงทั้งเอกภพเลยนะคือชั้นนี่แหละคือศูนย์กลางของทั้งหมดทั้งมวลที่มีอยู่ใช่และทุกสิ่งเนี่ยหมุนรอบโลกหมดเลยอืเดิมทีเนี่ย อ, อเราเคยเชื่อแบบนั้นอย่างจริงจังนะครับ เพราะเรามองขึ้นไปบนท้องฟ้าเนี่ยคือเราเห็นมาตลอดตลอดช่วกับช่วกันของชีวิตมนุษย์น่ยนะครับว่าทุกสิ่งมันหมุนรอบโลกเราหมดเลยและโลกของเราเนี่ยมันไม่เคยมีสักครั้งที่มันจะแบบขยับรุนแรงหรือว่าแบบหมุนจนเกิดอะไรที่เราสังเกตได้นะฮะมันเป็นการง่ายมากที่เราจะคิดว่าทุกสรรพสิ่งเนี่ยหมุนรอบโลกเราอล้นะเราก็มองอยู่บนโลกแล้วก็มองขึ้นไปน ก, กแล้วไงอะไรดวงอานะทิตย์ก็ ขึ้นตกก็หมุนรอบเราดวงจันทร์ขึ้นตกก็หมุนรอบเรา<ะ>ดาวทุกดวงก็ขึ้นตกหมุนรอบเรา<ะ>มันก็ง่ายดีชัดเจนดีที่เราจะเชื่อว่าโลกเนี่ยเป็นศูนย์กลางทุกสรรพสิ่งไม่ได้โคจรรอบใครไม่ได้หมุนรอบตัวเองไม่ได้อะไรทั้งนั้นนะครับและที่สําคัญที่สุดจริงๆเนี่ยความเชื่อนี้มันไปสอดคล้องกับแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อเชิงศาสนาในยุคโบราณด้วยว่าโลกเนี่ยเป็นสถานที่ที่มีความพิเศษสุดในเอกภพเลย เป็นสถานที่ซ u เปอร์สเปเชียลเลยน ะ, ะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะหมุนรอบดาวที่พิเศษก็คือโลกของเรามนุษย์เองเนี่ยก็เป็นเหมือนเซนเตอร์ของสิ่งมีชีวิตอื่นๆด้วยมีสติปัญญามีทุกสิ่งที่สิ่งมีชีวิตอื่นๆไม่ว่าจะเป็นพืชจะเป็นสัตว์มันไม่มีนะครับดังนั้นเนี่ยแนวคิดเนี้ยมันเป็นอะไรที่ฝังรากลึกอยู่ในจิตใจมนุษย์มาตั้งแต่ยุค โอ้ oh, 2,000 ปีก่อนแล้วเราเชื่อกันมานานมากด้วยนะครับแล้วใครมา <c oughs> เป็นคนจุดประกายคาว่าดึงสติก่อน <c oughs> เธอไม่ใช่ศูนย์กลางจริงๆมนุษย์เริ่มละแค่ละคายมาก่อนหน้านั้นแล้วละ่ะคือสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราเราดูดาวครับทุกอย่างมันก็จะโคจรไปรอบๆโลกเราแต่ทีนี้ถ้าเราดูละเอียดนะฮะฟังเราอาจจะแบ่งดาวได้เป็น2กลุ่มใหญ่ๆบนท้องฟ้าก็คือดาวดาวฤกษ์กับกับดาวเคราะห์ <c oughs> นะครับ คือดาวฤกษ์เนี่ยทุกวันนี้เราก็เรียนมาว่าดาวที่มันเปล่งแสงออกมาด้วยตัวมันเองเอคือดาวฤกษ์แล้วก็ดาวที่มันไม่มีแสงในตัวเองแต่อาศัยแสงสะท้อนจากดาวฤกษ์เนี่ยคื อ, คอดาวเคราะห์อันนี้ถูกต้องไม่ผิดเลยแต่ว่ายุคโบราณเนี่ยเราไม่ได้แบ่งดาวฤกษ์กับดาวเคราะห์ในลักษณะนั้นอีกนะฮะคือหลกัหลกๆแล้วเราดูตามลักษณะการเปลี่ยนตำแหน่งบนท้องฟ้งฟามากกว่าอยังไงคะพี่ดาวฤกษ์นะครับมันจะเกาะกันเป็นกลุ่มดาว เ, เช่นกลุ่มดาวในพรานอย่างเงี้ยมองกี่ปีกี่ปีมันก็ยังเป็นในพรานอยู่กลุ่มดาวคนคู่มองกี่ปีกี่ปีมันก็ยังเป็นคนคู่อยู่คือมันจะดาวเรือพวกนี้จะเกาะกลุม่มมีตำแหน่งแห่งที่ชัดเจนแต่ดาวเคราะห์เนี่ยภาษาอังกฤษคือ planet มาจากคําว่าผู้พเนจรนะครับ planetes ตัวนี้นคือในแต่ละคืนมันจะขยับไปตามกลุ่มดาวต่างๆทับไปบนกลุ่มดาวต่างๆก็คือพันแเนจรไปเรื่อยๆมันไม่ได้มีตำแหน่งที่อยู่แน่นอนถูกต้อ ง, างดาวเคราะห์ใช่ค่ะ ด้วยคอนเซป tn ี้เนี่ยดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์ก็ยังเป็นดาวเคราะห์อยู่นะครับแต่โอเคในยุคโบราณเนี่ยดาวเคราะ์กับดาวเรื่เนี่ยต่างกันชัดเจนในลักษณะนี้แต่ว่าตัวดาวเคราะห์เนี่ยในการที่มันเคลื่อนที่ไปบนฉากดาวเลื่อที่เหมือนพื้นหลังนะครับมันมีดาวเคราะห์อยู่ดวงหนึ่งที่เห็นชัดๆเลยก็คือดาวอังคารคือแทนที่มันจะวิ่งไปตามเพื่อนตามปกติเนี่ยมันจะมีบางวันที่มันย้อนถอยกลับเหมือนไมเคิลแจ็กสันบูลวอลอะไรเงี้ยอมันถอยกลับมาเขาเรียก retrograde คือปกติมันจะต้องเดินไปข้างหน้าจู่ๆมันจะมีช่วงที่มันเรโทรเกรสคือย้อนหลังแล้วค่อยไปข้างหน้าอีกทีนึง่งลักษณะที่เห็นมันจะเป็นบ่วงอย่างเนี้นะคือวิ่งไปข้างหน้าแล้วก็ย้อนกลับแล้วก็วิ่งไปข้างหน้าอีกทีหนึ่งทีนี้ถ้าเราโอาโล่เป็นศูนย์กลางจักรวาลจริงเนี่ยพวกดาวอังคารเนี่ยๆๆมันจะโครจรเป็นรูปสปริงะครับเพราะมันจะต้องโครจรย้อนหลังอะไรเงี้ย <ๆ S 2> คือวิ่งวิ่งอยู่ดีๆต้องถอยหลังแล้วก็วิ่งไปข้างหน้าแล้วยิ่งเราศึกษาอย่างละเอียดนะครับ เราพบว่าเฮ้ยไอการที่เรามองว่าโลกเป็นศูนย์กลางจักรวาลเนี่ยพวกดาวเคราะห์มันจะโคจรซับซ้อนมากจนดูแล้วมันใช่เหร อ, อก็มันใช่เหรอมันทำไมทาไมธรรมชาติถึงสร้างอะไรที่ซับซ้อนประหลาดขนาด น, นี้มาอืโอเคซึ่งซึ่งเป็นไปได้ที่ธรรมชาติจะซับซ้อนอแต่ว่าก็มีนักคิดอยู่คนหนึ่งเขาคิดว่าเขาตั้งคําถามเหมือนกับว่าเป็นไปได้ไหมที่เราจะแบบลองเปลี่ยนวิธีคิดดูดิลองเอาดวงอาทิตย์ไว้ตรงกลางดู แล้วโลกเนี่ยขยับมาเป็นดาวเคราะห์ลําดับที่สามถัดจากพุทธกระสุนพอเราทําแบบนี้ปุ๊บเนี่ยวงโครจรทุกอย่างเนี่ยมันกลายเป็นวงกลมสวยๆอ๋อคือจุดเอ๊ะแรกเนี่ยคือทําไมเธอเคลื่อ น, อนมีวงการเคลื่อนตัวแบบซับซ้อนพิพลึกแต่พอเปลี่ยนเท่านั้นแหละก็คือเจอเลยว่าเอ้ยมันมีสิ่งที่ซิมเพิลกว่านั้นกลายเป็นแนวคิดที่เรียบง่ายสวยงา ม, มว่าถ้าเราเอาดวงที่ไว้ตรงกลางถูกต้องมันซิมเพิลทุกคํานี้เลย แต่ในยุคนั้นเนี่ยการพูดแบบนี้เนี่ยก็เสี่ยงหลายอย่างนะครับอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับความเชื่อของคนยุคเก่าโดยเฉพาะเรื่องของศาสนาที่เขามีอํานาจเรื่องอํานาจมากในยุคนั้นเนี่ยการพูดก็ต้องระมัดระวังคนที่พูดเรื่องนี้เป็นคนแรกเนี่ยคือนะิโคลาสโคเปนิคัสออืแล้วก็เป็นเป็นพระชาวโปรแลนด์เป็นพระด้วยเป็นพระด้วยอ๋อาซึ่งมันก็จะขัดแย้งกับหลักศาสน า, สนาที่เขายึดถือด้วยก็นะทีนี้เนี่ยโคเปนิคัสก็ เขียนหนังสือมาเล่มหนึ่งนะครับแล้วก็หนังสือเล่มนี้มองว่าดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะละแล้วดาวเาคราะห์โคจรรอบดวงอาทิตย์ทีนี้เนี่ยในช่วงที่เขามีชีวิตอยู่เนี่ยเขาก็ต้องพูดอย่างระมัดระวังแล้วก็พูดเหมือนกับว่าจริงๆแล้วโลกก็เป็นศูนย์กลางแหละแต่ว่าถ้าดวงอาทิตย์ไปตรงกลางมันสวยขึ้นนะ <c oughs> ก็เป็นแค่เครื่องมือในการคิดอะไรทอนองนี้อะไรเงี้ยต้องพยายามหาคำใช้ให้รู้สึกว่าไม่ขัดแย้ง ไม่ขัดแย้งจนจนอยู่ไม่ได้ครับแต่หารู้ไหมว่าแนวคิดนี้เนี่ยในทางวิทยาศาสตร์ถึงทุกวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นการปฏิวัติความคิดที่ยิ่งใหญ่มากเพราะว่าการมองว่าโลกเป็นศูนย์กลางของทุกอย่างมันง่ายมันเรียบง่ายแล้วมันเห็ น, เ ห, นเห็นกันอยู่แต่การไปคิดอะไรนอกกรอบแบบนั้นน่ะมันเป็นอะไรที่ต้องอาศัยพลังการจินตนาการการสังเกตรวมทั้งการสรุปผลที่แบบชาญฉลาดมาก แต่มีคำถามอย่างนี้พี่ปองแปลงว่าถ้าเขาจะขัดแย้งกับหลักความเชื่อที่แบบคนทั้งหมดเชื่ออย่างเงี้ยเขาต้องมีอะไรมาคัดง้างหรือว่าต้องมีข้อคนพบอะไรบางอย่างที่แข็งแรงมากพอที่จะทำให้คนแบบรู้สึกว่าเออใช่ผมว่าถามได้ดีจริงๆต้องบอกว่าในยุค ข, ของโคปนิคัสเนี่ยก็ไม่มีเท่าไหร่นะครับก็คือเขาก็แค่ลองดูว่าแบบถ้าดูที่เป็นตร ง, ตรงกลางเนี่ยมันน่าจะ โโคจรมันจะสวยเหมือนเห็นทางทางทางมองอีกมุมนึงแต่ยังไม่ได้แบบชัดเจนยังไม่มีหลักฐานที่มาซัพพอร์ตมากนักในยุคของโคบอลต์คลสนะแต่แน่นอนการขยับตรงกลางออกไปออฟเซนเตอร์หรือขยับออกไปนิดนึงเนี่ยโลกจากสถานที่สุดพิเศษที่ถูกสร้างอะครับมันกลายเป็นแค่หินก้อนเล็กๆที่แบบหมุนไปรอบๆดวงอาทิตย์มันมันหมดความวิเศษไปเลยอะแต่หนังสือเล่มนี้เป็นมรดกตกทอดที่ทาให นักวิทยาศาสตร์ที่ทุกท่านน่าจะรู้จักกันดีนะครับคือคุณกาลิเลโอกาลิเลอีเนี่ยศึกษานะครับแล้วก็ยึดเลยว่าเฮ้ยน่าจะจริงเว้ยแล้วว่าเขาศึกษาจากหนังสือของคุณโคเปัสอีกทีหนึ่งใช่ฮะแล้วก็แต่คุณกาลิเลโอคราวนี้คือพยายามหาหลักฐานแล้วนะอมาสปอร์ตนะเขาทํายังไงบ้างที่แปลต้องบอกว่ากาลิเลโอเนี่ยมีความคิดประหลาดอย่างหนึ่งที่คนยุคก่อนเขาไม่ทําคือสมัยก่อนเนี่ยเวลา เวลาเขาจะใช้ชีวิตการคนในยุคโบราณมันจะมีสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่ากล้องส่องทางไกลอยู่แล้วแต่ก็ริเลโอเนี่ยประดิษฐ์กล้องส่องทางไกลที่ดีขึ้นไปอีกอแล้วดันเอามาส่องสิ่งที่อยู่บนท้องฟ้าอันนี้เป็นเป็นการปฏิวัติอีกอย่างหนึ่งเลยนะคือคนโบราณเขาจะเชื่อว่าสิ่งที่อยู่บนท้องฟ้าเป็นเทพเจ้าเราก็ต้องไปไปแตะเทพเจ้าแต่ก็ริเลโอแบบว่าลองดองดูหน่อยเว้ยเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะผลปรากฏว่าการศึกษาเทพเจ้าอย่างละเอียดเนี่ยมันได้ผลลัพธ์ที่แบบ เออมันขัดกับความเชื่อกเก่าเยอะมากเ<ฆ>ช่นสําคัญนะฮะเช่นพอมองไปที่ดาวพฤหัสซึ่งเดิมทีเขาจะเห็นเป็นแค่จุดจุดเดียวค่ะ<ฆ>กาลิเลโอเนี่ยเห็นดาวพฤหัสแล้วมีจุดเล็กๆ4ี่จุดเน่ยอยู่รอบๆอือคือพอกล้องเขาเนี่ยมั น, มนดียอนกว่าเพื่อนแล้วเนี่ยมันเห็นร <c oughs> ายละเอียดลงไปอีกเห็นรายละเอียดดีกว่าตาใช่ฮะแล้วจุด4จุดนั้นคืออะไรคะคือเขาก็เขาก็ไม่รู้ว่าคืออะไรก่อนแล้วเขาก็ดูว่าในแต่ละคืนเนี่ยสี่จุดเนี้ยมันค่อยๆเปลี่ยนตําแหน่งไปรอบๆดาวพฤหัส การเปลี่ยนตำแหน่งนี้ทำให้เขารู้ว่ามันโคจรรอบดาวพฤหัสทุกวันนี้เราก็เรียกสิ่งที่โคจรนี้ว่าเป็นดวงจันทร์ของดาวพฤหัสล้อกับโลกที่มีดวงจันทร์ของเราแต่ดวงจันทร์สี่ดวงที่กาลิเลโอเจอเนี่ยเป็นดวงจันทร์ใหญ่ที่สุดของดาวพฤหัสเรียกว่ากาลิเลียนมูลนะฮะหรือดวงจันทร์ของกาลิเลโอโอเคแล้วมันมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องที่เราคุยวันนี้คำตอบก็คือว่ามันเป็นสิ่งที่ที่สุดให้เห็นว่าโลกไม่ใช่เซ็นเตอร์ของทุกอย่างแล้วนี่ในในว่าโลกเป็นศูนย์กลางของทุกอย่างทุกอย่างต้องหมุนรอบโลกล่ะเฮ้ ดาวพฤหัสก็มีบริวารของมันนะออือเขามีบริวารของเขาเขามีระบบของเขาเองะนะฮะออันนี้ถือว่าเจ๋งมากแปลว่ามันรื้อความคิดที่แบบเคยเชื่อเชื่อกันแต่ทีมันมันแข็งแรงมากพอที่จะพิสูจน์ได้เลยเหรอคะว่าโลกไม่ใช่ศูนย์กลางยังถามได้ดีแต่มันเป็นเหมือนกับแผลแรกๆที่แบบว่าไปแค่คือเวลาเราจะหาหลักฐานนะฮะมองว่าโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์จริงหรือไม่เนาะ ตรงที่สุดคือเราต้องออกนอกระบบสุริยะและมองกลับเข้ามาแต่แน่นอนถึงทุกวันนี้เราก็ยังทําไม่ได้มนุษย์ไปได้ไกลสุดแค่ดวงจันทร์นะครับแต่เราก็จะต้องหาหลักฐานทาง อ, อ้อมอื่นอื่นอีกมากมายมาพิสูจน์และหนึ่งในนั้นคือการดูว่าความเชื่อเก่าที่เขาบอกว่าทุกสิ่งต้องโครจรรอบโลกมันจริงไหมโอเคเออไม่จริงละดาวพฤหัสมีบอลลีวารแต่ไม่ใช่แค่นั้นกาลิเลโอยังเห็นอีกหลายอย่างอย่างเช่นเวลาเขาส่องกล้องไปที่ดาวศุกร์นะครับจริงๆดาวศุกร์เนี่ยถ้าไม่นับดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์แล้วนะฮะ ดาวสุกเป็นเป็นวัตถุท้องฟ้าธรรมชาติที่สว่างมากเลยนะเป็นอันดับอันดับสามเลยนะคะือสว่างมากนะทีนี้ดาวสุกเนี่ยกาลิเลอโอ ก, ก็เอากล้องโทรทัศน์ส่งไปที่ดาวสุกแล้วพบว่าเฮ้ยดาวสุกอะ่ะมันเป็นเซี่ยวเหมือนดวงจันทได้ฮแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะบางช่วงเนี่ยมันปรากฏเกือบเต็มดวงได้อหมายถึงว่าเต็มดวงนะ่ะไม่เห็นหรอกแต่ว่ามันเป็นเซี่ยวแหวงแหวงแล้วมันมันเหมือนแหวงไปนิดนึงได้เหมือนดวงจันแบบ ข้นดวงอย่างเงี้ยประมาณขึ้น13ามค่าคือขึ้นสิบห้าคือเต็มใช่ไหมฮ ะ, ฮ ะ, ฮะดาวศุกร์มันจะมีขึ้นสิบามค่ำของมันมันแปลกมากเราจะอธิบายเซี่ยวที่เกือบเต็มดวงของดาวศุกร์ได้ยังไง<ะ>คําตอบมีวิธีเดียวก็คือว่าเราต้องมองว่าดาวศุกร์เนี่ยมันอยู่ด้านหลังดวงอาทิตย์<ะ>คือดาวศุกร์ต้องโคจรรอบดวงอาทิตย์<ะ>ในช่วงที่ดาวศุกร์เนี่ยอยู่ด้านหน้าระหว่างดวงอาทิตย์ดาวศุกร์โลกเนี่ย<ะ>ดาวศุกร์มันก็โดนดวงอาทิตย์ฉายแสงมาใช่ไหมฮะแล้ว พอมาถึงโลกเราอะดาวสุกมันก็เป็น ม, ม, มืดๆดำๆซะเยอะไอ้ส่วนที่เหลือมันนิดเดียวก็เป็นเสี่ยวแต่ช่วงที่ดาวสุกอยู่หลังดวงอาทิตย์เยื้องๆอยู่ข้างหลังดวงอาทิตย์เนี่ย عم, มันรับแสงไปค่อนข้างเต็มๆมันก็เห็นเป็นเกือบเต็มดวงได้<ง>การจะเห็นเกือบเต็มดวงได้เนี่ยมีแค่กรณีเดียวคือดาวสุกมันต้องอยู่ข้างหลังดวงอาทิตย์แต่ดาวศุกมันอยู่หลังดวงอาทิตย์ได้ยังไงมันวนรอบดวงอาทิตย์ไงอนี่ก็เป็นอีกหลักฐานที่ชี้ว่าเฮ้ย ดาวสุกอะ่ะมันไม่ได้หมุนรอบโลกค่ะมันหมุนรอบดวงอาทิตย์อืพอเขาเจอทีละอันอย่างเงี้ยเขาก็คือประกาศเลยไหมคะหรือว่าเขาค่อยๆทําอะไรต่อกัลิเลียนี่ต้องบอกว่าเป็นค่อนข้างผงผ่าแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้ดื้อรั้นครับก็ถ้าจะถามากัลลิเลโอเจออะไรบ้างเนี่ยผมว่าทําตอนนึงไปเลยดีกว่าแต่เอาเป็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่กัลิเลโอเจอเนี่ยนะฮะมันนํามาซึ่ง ความขัดแย้งกับความคิดเก่าเต็มไปหมดเลยนะครับพอรวมกับสิ่งนี้แล้วเนี่ยกลีเลโอก็ค่อนข้างมั่นใจว่าโลกเนี่ยไม่ใช่ศูนย์กลางจากเอรพบแน่นอนออโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์และเนี่ยมันทำให้ผู้มีอำนาจในศาสนาก็คือศาสนาจัดในยุคนั้นเนี่ยไม่พอใจมากกลายเป็นว่าการค้นพบทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันไม่ได้แค่เป็นเรื่องใน ในหลักการทางวิทยาศาสตร์แล้วละ่ะแต่ว่ามันกลายเป็นขัดแย้งกับหลักการของสังคมในสมัยนั้นที่ผู้มีอํานาจบอกนี่เรื่องใหญ่มากเลยนะพี่การ์ลิเลโอไม่โดนเล่นหนักเลยเหรอโดนหนักครับจริงๆต้องบอกว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่เคยอยู่เดียวๆอยู่แล้วมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของเศรษฐศาสตร์งบประมาณ เ, เรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับเกี่ยวกับการทดลองการใช้ชีวิตเยอะมากแต่การ์ลิเลโอเนี่ยไม่ได้เจอหนักสุดนะฮะคือก็ในยุคนั้นเนี่ยมันก็นะ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 เป็นไปได้ไหมที่มันจะมีมนุษย์อยู่โลกอื่นอย่างเงี้ยโอ้โหอันนี้ก็ทําให้ศาสนาจากโกรธมากเพราะว่าโลกนี้กลายไปว่าโลกนี้เต็มไปหมดเลยอืไม่ได้เราแบบเราต้องคิดเซนเราออฟฟิเชีเท่านั้นใช่ที่ออดรโนบรูโน่นี่โดนโดนเผาทั้งเป็นเลยฮะใช่ย่างสดโอเพียงเพราะเขาออกมาพูดสิ่งนี้ออกมาพูดสิ่งนี้ว่าซึ่งแบบเป็นไอเดียใหม่นะครับแต่สเตฟานฮอว์กิ้งเนี่ยเขาก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ย แนวคิดของจิโอเดโนบรูโนเนี่ยนะถ้าคิดให้ดีเนี่ยศา ส, สนาจักรควรจะดีใจเพราะมันแสดงให้เห็นถึงพลานุภาพยิ่งใหญ่ของผู้สร้างว่าท่านไม่ได้สร้างมาแค่โลกใบนี้แต่ยังสร้างโลกได้อีกไม่รู้กี่ใบในเอกภพซึ่งพอคิดในมุมเนี้ย แนวคิดของบรูโน่เนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของผู้สร้างได้ได้ยิ่งกว่าเดิมซะอีกอะไรเงี้ยนะครับ ม, มันทําให้เห็นว่าเออข้อค้นพบทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันมาด้วยการต่อสู้เหมือนกันนะที่จะต้องแบบว่าทําให้คนเห็นว่าเฮ้ยมันมันมีความรู้ใหม่ๆมันมีมุมมองใหม่ๆเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรารวบรวมทั้งหมดโดยสรุปแล้วมาจนถึงยุคเนี้ความเข้าใจที่ว่าโลกไม่ใช่ศูนย์กลางของเอกภพเนี่ยอ่าถ้าเราโดยสรุปแล้วเนี่ยเราเข้าใจมันได้ยังไงบ้างแล้วมันมีข้อค้นพบอะไรที่สุดท้าย เป็นบทสรุปของของเรื่องนี้อะไรเงี้ยค่ะเอาเอ า, อางี้ก่อนโลกของเราเนี่ยหมุนรอบตัวเองแน่ๆนะหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าโลกหมุนรอบตัวเองเนี่ยถ้าใครไปที่พิพพธภัณฑ์วิทยาศาสตร์นะครับทั่วโลกแทบ ท, บทุกที่อะไเนี่ยใหญ่ๆเนี่ยเขาจะมีจําลองเรื่องนี้ไว้ด้วยก็คือเขาเรียกว่ า, าลูกตุ้มของคุณฟูโคะนะครับก็คือฟูโคะแผ่นดุลัมมาจากชื่อของคุณเลียงฟูโคะนะฮะคือเขาเอาเชือกเป็นเป็นลวดสลิงกันล้วกัน ยาวมากเป็นยี่สิบเมตรแขวนไว้กับเพดานยุคโบราณนะครับแล้วก็เอาลูกตุ้มหนักๆเนี่ยมาแกว่งให้มันแว่งไปแกว่งมาอย่างอิสระเหมือนกับลูกตุ้มนาฬิกานะทีนี้เนี่ยเราคนพบว่าเจ้าลูกตุ้มเนี่ยครับมันค่อยๆบิดระนาไปทีละนิดอืได้ผมยกตัวอย่างนี้แล้วกันสมมุติว่าฟางลอง ท, ทุกท่านลองจินตนาการว่าโลกของเราเนี่ย ก, ก, ก็ก็เป็นดาวเคราะห์ที่หมุนรอบตัวเองถ้าเราเอาอะไรสักอย่างไปหมุนที่ขั้วโลกอะฮะมันก็จะหมุนอย่างนี้ นะมันแกว่งไปแกว่งมาเรียกว่าแกว่งนะฮะเป็นลูกตุ้มแกว่งไปแกว่งมาของมันอย่างนี้แต่โลกที่หมุนอยู่ข้างใต้เนี่ยทำให้ไอ้เจ้าตัวเนี้ยแทนที่มันจะแกว่งในแนวเดิมตลอดมันบิดไปเรื่อยๆทั้งที่ไม่มี<า>มใครไปตัด<า>มั น, ต, มนตามการหมุนของโลกอยู่คือโลกนะมันหมุนอยู่ข้างใต้ไอ้เจ้าเจ้าลูกตุ้มตัวนี้ค่ะมนุษย์ที่อยู่อยู่บนโลกก็เลยเห็นว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันไม่ได้แกว่งแนวเดิมตอนแรกมันแกว่งอยู่ในแนวโตทิ้งไปสักพักมันเริ่มแกว่งไปข้างหน้าข้างหลังสักพักมันแกว่งอย่างนี้ได้ S <S ซึ่งแน่นอนมาแล้วแต่ละติดจูดของโลกแต่ว่าเาถ้ารอนานพอโดยทั่วไปมันจะบิดไปนิดๆออันนี้เป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าโลกกำลหมุนรอบตัวเองแน่ๆในะใครสนใจก็ต้องลองไปดูเรื่องของฟูโคเพนดูลัมตามพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ก็จะมีอยู่นะครับแล้วก็โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างซับซ้อนละแต่มันจะเกี่ยวข้องกับปรากฏการที่เรียกว่าความคลาดของแสงดาวนะหรือสเตลลาแอเบเรชันก็ เอาง่ายๆก็คือว่าตอนที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับช่วงหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นดาวบางดวงเนี่ยมันมันขยับตำแหน่งไปนิดหน่อยลองจินตนาการถึงแสงดาวเหมือนน้าฝนพอพอแสงดาวเหมือนน้าฝนเนี่ยกล้องโทรทัศน์ที่จะต้องคอยคอยเล็งให้ให้เก็บน้ําฝนได้เนี่ยมันก็จะต้องทํามุมอย่างหนึ่งนะวิ่งอย่างหนึ่งมันวิ่งสวนมันก็จะต้องทํามุมอย่างหนึ่งพอวิ่งถอยออกมาอีกครึ่งปีนะมันก็ต้องวิ่งเพื่อเก็บน้ําฝนให้มันก็ต้องเบี่ยงอีกมุมหนึ่งกลายเป็นว่า ถ้าเราวัดตำแหน่งดาวได้แม่นพอเนี่ยช่วงครึ่งปีหนึ่งตำแหน่งดาวอยู่ที่หนึ่งพออีกครึ่งปีดาวขยับไปอีกนิดหนึ่งมันจะขยับไปจากอะไรล่ะคําตอบก็คือมันขยับไปเพราะโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ทําให้แสงของดวงดาวเนี่ยมันมีการขยับมุมไปนิดหน่อยอะไรแบบนี้อันนี้เป็นหลักฐานที่คเรียกว่าโดยตรงที่สุดอย่างหนึ่งก็าบ้าได้แล้วไม่ใช่แค่นั้นนะครับดวงอาทิตย์ของเราก็หมุนรอบตัวเองแล้วดวงอาทิตย์ของเราก็เป็นดาวฤกษ์ในกาแล็กซีทางช้างเผือก มันก็หมุนรอบกาแล็กซีทางช้างเผือกด้วยอืมอืมกลายเป็นว่าแล้วกาแล็กซีทางช้างเผือกก็ไม่ได้เป็นศูนย์ทางเอกภพมันเป็นแค่หนึ่งจุดเล็กๆที่อยู่ในเอกภพมากมายมหาศาลกาแล็กซีมากมายมหาศ า, าลาาาาในเอกภพเราไม่ได้พิเศษอะไรเลยอืมนี่คือสิ่งที่นักฟิสิกส์รู้ในปัจจุบันค่ะพ อ, พอฟังแล้วก็รู้สึกว่าการค้นพบอย่างนี้ยถึงแม้ว่าจะบอกว่า อย่างที่เราคุยกันตั้งแต่ต้นว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของวิทยาศาสตร์ล่ะแต่มันมีปรัชญายหน่อยๆอยู่นิดนึงเหมือนกันเนาะเออ ก, การค้นพบแบบนี้ค่ะพี่ผ่งแปงมันให้อะไรกับโลกเราหรือว่ า, วามันสุดท้ายแล้วมันทิ้งอะไรไว้ให้กับการศึกษาในทางวิทยาศาสตร์ทางฟิสิกส์ต่อไปในอนาคตบ้างออย่างที่หนึ่งที่ชัดเจนที่สุดนะฮะก็คือว่าทุกวันนี้เวลาเรียนวิทยาศาสตร์เนี่ยเรื่องนี้เป็นเคส e s t u สําคัญมากที่ scientific thinking หรือการคิดอย่างเป็นวิทยาศาสตร์เราจะต้องไม่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางเราต้องพยายามบอกตัวเอง พยายามไม่คิดลำเอียงด้วยการเอาทฤษฎียึดเกาะทฤษฎีเก่าโดยไม่มองไอเดียใหม่ๆอันนี้เป็นสิ่งที่นักประวัติศาสตร์พยายามพร่ำสอนกันเพื่อไม่ให้ประวัติศาสตร์มันซ้ำรอยกับตอนกาลลิเลโอคนพบเรื่องใหม่แล้วไม่มีใครเชื่อการที่มนุษย์เราได้รู้ว่าจริงๆเราไม่ใช่ศูนย์กลางขอ ง, ของเอกภพของเผ่าพันธุ์สิ่งอื่นไ อ, เ, อเรื่องนี้ก็ทําให้เราจริงๆต้องบอกว่าลดทอนความสําคัญของเราลงหรือเปล่าผมว่าไม่นะ มันทำให้เรามองตัวเราอย่างถูกต้องมากขึ้นเราเป็นหนึ่งเดียวกับทุกทุกองคาพยพของเอกภพรวมทั้งสปีชีส์อื่นๆเราเป็นญาติกันนะค่ะ พอคุยกันแบบนี้แล้วขอบคุณที่บองแปงมากเลยคือรู้สึกว่าเออเราคําว่ามองตัวเราเองอย่างถูกต้องมากขึ้นอ่ะฟังว่าใช่เลยคือเรา<ม>เราไม่ได้จําเป็นต้องบอกว่า<ม>เฮ้ยโลกสําคัญหรือไม่สําคัญจากการที่ได้เป็นหรือไม่ได้เป็นศูนย์กลางของใดๆก็แล้วแต่แต่ว่าสุดท้ายแล้วเออเราเห็นตัวเองว่าเราเป็นยังไงคืออะไรเนาะเรานักวิทยาศาสตร์ต่างๆเขาก็ทําให้เราเห็นแล้วนะคะว่าไม่ว่ามันจะมีอะไรใหม่ขึ้นมาเนาะแต่ว่าคนเราอะถ้าเราเปิดรับแล้วก็ไม่ได้เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางเนี่ยโลกของเราก็จะ มีมุมมองใหม่ๆแล้วก็มีเรื่องราวใหม่ๆให้เราเรียนรู้อีกเต็มไปหมดเลยนะคะก็กลับมาติดตามใดๆในโลกล้นฟิสิกส์กันได้นะคะเช่นเคยนะคะในทุกพอดแคสต์เพลเยอร์นะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ที่ YouTube channel ของ The Standard Podcast ด้วยนะคะวันนี้เราลากันไปก่อนแล้วเจอกันในตอนหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears